รงแรมผีเฮียนวันลอยกระทงที่เชียงใหม่สัมผัสสยองเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่จังหวัดเชียงใหม่เมื่อประมาณสองปีที่แล้วช่วงนั้นเป็นช่วงของเทศกาลลอยกระทง คุณนัดและแฟนคุยกันว่าอยากลองไปเดี่ยวเชียงใหม่ดูสักครั้งจึงได้จองโรงแรมผ่านทางอินเทอร์เน็ตแล้วก็จองไว้สมวันทริปนี้คุณนัดวางแผนไว้คือวันแรกจะไปเที่ยวในตัวเชียงใหม่ก่อนคืนที่สองก็จะขึ้นไปนอนบนดอยอินทนนท์และคืนที่3จะเที่ยวในตัวเชียงใหม่อีกหนึ่งคืนแล้วในตอนเช้าของอีกวันก็จะบินกลับกรุงเทพ คุณนัทและแฟนเดินทางไปถึงเชียงใหม่ก็เป็นเวลาประมาณบ่ายโมงแล้วในคืนแรกด้วยความเหนื่อยจากการเที่ยวและการเดินทางหลังจะ ก, กินข้าวกันเสร็จก็ขึ้นไปนอนพักกันที่ห้องของโรงแรมคืนนั้นคุณนัทฝันว่ากำลังอาบน้ำอยู่ในห้องน้ำของโรงแรมหลังจากอาบน้ำเสร็จก็เดินออกมาจากห้องน้ำปรากฏว่า เห็นศพของฝรั่งนอนอืดอยู่บนเตียงมีเลือดและน้ำเหลืองไหลนองอยู่เต็มที่นอนคุณนัดตกใจมากรีบวิ่งไปเปิดประตูห้องเพื่อจะหนีออกไปข้างนอกแต่กลับเปิดไม่ออกได้แต่ร้องตะโกนและทุบ ป, ประตูจนตนเองตกใจตื่นขึ้นมาก็พบว่าตนเองยังนอนอยู่บนเตียงมีแฟนนอนอยู่ข้าง คุณนัดรู้สึกใจสั่นหายใจที่เพราะความตกใจเมื่อมองนาฬิกาตอนนั้นก็เป็นเวลาตีห้าครึ่งแล้วคุณนัดจึงหันไปกราบหมอนแล้วล้มตัวลงนอนต่อสักพักก็เคลิ้มหลับไปแล้วคุณนัดก็ได้ฝันเหมือนเดิมเขาฝันว่ากำลังอาบน้ำอยู่พอเดินออกมาจากห้องน้ำ ก็พบศพของฝรั่งจนคุณนัทตื่นขึ้นมาอีกครั้งซึ่งตอนนั้นก็เป็นเวลาเช้าแล้วแต่คุณนัทยังไม่ได้บอกเรื่องนี้กับแฟนเพราะแฟนเป็นคนกลัวผีมากจึงเงียบเอาไว้ก่อนเขากิดในใจว่าคงจะนอนผิดที่แล้วเย็นวันที่สองคุณนัทกับแฟนก็ตั้งใจว่าจะขึ้นไปกลางเต็นนอนกันบนดอยอินทนนท์ แต่วันนั้นหารถขึ้นไปไม่ได้แฟนจึงรู้สึกหน่อยแล้วเกิดมีปากเสียงกันเล็กน้อยจนไม่ได้ทานข้าวแล้วแฟนก็หนีขึ้นไปนอนก่อนส่วนคุณนัทก็เดินเที่ยวในเมืองไปเรื่อยๆจนสักพักก็กลับขึ้นห้องเห็นแฟนกำลังนอนอยู่คุณนัทจึงเข้าไปอาบน้ำแล้วเข้านอนขณะที่คุณนัท กำลังเคลิ้มหลับอยู่นั้นก็รู้สึกว่าแฟนเขากำลังนอนเบียดเข้ามาเรื่อยๆคุณนัดคิดว่าแฟนเขากำลังอ่อนจึงวางฟอร์มทำเป็นไม่สนใจแต่อยู่ดีๆประตูห้องก็เปิดออกเอง คุณนัทตกใจรีบลุกขึ้นมาดูก็ปรากฏว่าเป็นแฟนของตนกำลังเปิดประตูห้องแล้วเดินเข้ามาเมื่อเห็นอย่างนั้นคุณนัทก็รู้สึกเย็นว่าเป็นทั้งตัวจึงหันไปมองข้างๆที่ก่อนหน้านี้คิดว่าเป็นแฟนเขากำลังนอนอยู่ก็พบว่ามีแค่เขาคนเดียวที่นอนอยู่บนเตียงคุณนัทจึงถามแฟนด้วยเสียงสันส่นๆว่า ไหนมาแฟนตอบกลับมาว่าไปกินข้าวคุณนัทพยายามคิดทบทวนว่าก่อนหน้านี้ตนเองนอนอยู่ในห้องกับใครแล้วคืนนั้นคุณนัทก็ไม่กล้านอนอีกเล่นโทรศัพท์มือถือทั้งคืนพอเช้ามาคุณนัทกับแฟนก็ลงมานั่งในห้องล็อบบี้ของโรงแรมแล้วได้เล่าเหตุการณ์ให้แฟนฟัง เมื่อแฟนของเขาได้ยินก็ตกใจกลัวมากและบอกให้ย้ายโรงแรมในทันทีคุณนัทจึงไปคุยกับพนักงานที่เคาน์เตอร์ว่าถ้าอีกคืนหนึ่งไม่พักจะขอเงินคืนได้ไหมทางโรงแรมจึงตอบกลับมาว่าไม่ได้คุณนัทจึงยอมเสียเงินจำนวนนั้นไปและออกไปหาที่พักใหม่แต่หาจนทั่วก็ยังหาที่พักไม่ได้ จนมาได้โรงแรมม่านรูดแห่งหนึ่งคุณนัทจึงถามแฟนของเขาว่านอนไหวไหมเพราะรุ่งนี้เช้าก็จะกลับกรุงเทพแล้วแฟนเขาก็ไม่ขัดข้องก็เลยเข้าพักที่นี่กันเมื่อเดินเข้าไปในห้องก็เห็นว่าลักษณะของห้องนั้นมีกระจกอยู่รอบด้านจนเวลาประมาณห้าทุ่มตอนนั้น แฟนเขาก็ได้หลับไปแล้วแต่คุณนัทยังนอนเล่นมือถืออยู่บนเตียงแล้วตาของเขาก็เหลือบมองขึ้นไปที่กระจกบนเพดานซึ่งมันสะท้อนภาพของเตียงที่เขากำลังนอนอยู่ก็เห็นผ้าสีแดงโผลออกมาจากใต้เตียงประมาณหนึ่งคืบสักพักก็เหมือนมีอะไรสักอย่างดึงผ้าผืนนั้นกลับเข้าไปที่ใต้เตียง คุณนัทรู้สึกชอ็อกนอนตัวแข็งและชาไปทั้งตัวคิดในใจว่านี่หนีผีมาเจอผีอีกหรือยังไงเมื่อนอนทำใจอยู่ได้พักหนึ่งคุณนัทก็พยายามข่มความกลัวแล้วลุกขึ้นเดินไปเปิดไฟให้ห้องมันสว่างขึ้นพยายามไม่เหลือบสายตาไปมองเงามืดใต้เตียงแล้วเขาก็กลับมานอนเล่นมือถือต่อสักพัก ก็เห็นอะไรบางอย่างเคลื่อนไหวอยู่ข้างเตียงผ่านกระจกบนเพดานด้วยสัญชาตญาณของเขาจึงมองเข้าไปในกระจกก็เห็นผ้าสีแดงค่อยๆโผล่ออกมาจากใต้เตียงอย่างชา้ชาๆแล้วก็ถูกดึงกลับเข้าไปอีกคุณนัทคิดในใจว่าแบบนี้คงไม่ดีแล้วจึงลุกขึ้นกราบลงที่หมอนแล้วเอาเหรียญยัดลงไปที่ใต้ฟูก จากนั้นก็พยายามข่มตานอนสักพักเขาก็รู้สึกว่าขยับตัวไม่ได้จากนั้นก็ได้ยินเสียงของผู้หญิงมากระซิบที่ข้างหูแต่ฟังไม่ได้สับหุณนนัทตกใจกลัวจนตาเหลือกกรอกตาไปมาเพื่อมองหาต้นตอของเสียงนั้นในใจก็ไปพยายามจะท่องบทสวดมนต์แต่ด้วยความกลัวจึงทำให้นึกบทสวดมนต์ไม่ออก ชั่วอึดใจหนึ่งเขาก็เหลือบไปเห็นผู้หญิงนั่งยองๆ อ, อยู่ปลายเตียงลักษณะตัวขาวซีดใส่ชุดนอนสีฟ้าแล้วเขาก็ใช้มือเกาขาโต๊ะวางทีวีครืดครืครืความกลัววิ่งเขาจับรั้วหัวใจคุณนัทพยายามเหลือกตามองไปรอบๆตัวก็ต้องตกใจซ้ำอีกครั้งเพราะเพิ่งรู้ว่าตอนนี้ ตนเองนอนอยู่ในห้องแค่คนเดียวในใจสับสนวุ่นวายจนอยากอาจเจียนพอแท้สิ้นหวังถึงขนาดคิดว่าถ้าจะตายก็ขอตายมันตรงนี้ตอนนี้เลยจะดีกว่าจะได้หลุดพ้นความน่ากลัวนี้ไปสักจังหวะนั้นคุณนัดก็นึกถึงหน้าคุณพ่อกับคุณแม่แล้วสักพักก็รู้สึกว่าทุกอย่างในหัวมันโล่งไปหมด จนขยับตัวลุกขึ้นมาได้คุณนัดนั่งสูดหายใจอยู่บนเตียงแล้วพยายามมองหาแฟนก็เห็นว่าประตูห้องมันถูกเปิดทิ้งไว้จึงได้รีบวิ่งออกไปจากห้องก็เห็นแฟนนั่งอยู่ที่บันไดาทางลงม่านรูดคุณนัดพยายามเก็บระการทุกอย่างให้ได้มากที่สุดแล้วเดินเข้าไปถามแฟนว่าเป็นอะไรทำไมถึงไม่นอน แฟนเขาก็บอกว่าเขาตื่นขึ้นมาก็เห็นคุณนัดนอนตัวแข็งตาเหลือกปลุกเท่าไหร่ก็ไม่ตื่นก็เลยวิ่งออกไปบอกพนักงานให้ขึ้นไปช่วยพนักงานก็ไม่มีใครกล้าเข้าไปในห้องสักคนก็เลยไม่รู้ว่าจะทํำยังไงคุณนัดจึงเดินลงไปถามพนักงานว่าน้องที่ถามจริงที่ตรงนี้มันมีอะไรเนี่ยพนักงานก็ไม่ยอมบอกอะไร คุณ น, นัดเลยยื่นแบงค์ห้ารอยให้พนักงานก็ไม่ยอมปลีกปาคุณ น, นัดจึงบอกว่าจะให้ห้าร้แต่ช่วยไปหยิบกระเป๋าลงมาให้หน่อยพนักงานก็ยังไม่ยอมขึ้นไปอีกตอนนั้นเป็นเวลาประมาณตีสามกว่ากว่าคุณ น, นัดกับแฟนจึงทำใจดีสู้เสือเดินขึ้นไปเก็บของบนห้องพอเก็บของเสร็จก็ออกมา แล้วก็ได้ไปนั่งกันที่หน้าเซเวนจนถึงเช้าตอนเช้าก็มีแม่ค้าลูกชิ้นมาขายที่หน้าเซเวนคุณนัดจึงเดินเข้าไปซื้อและเล่าเหตุการณ์ให้แม่ค้าฟังแม่ค้าบอกว่าโรงแรมม่านรูดนี้เมื่อนานมาแล้วมีผู้หญิงขายบริการคนหนึ่งเข้ามาพักอยู่กับลูกค้าเมื่อแฟนของผู้หญิงคนนั้นรู้ก็ตามมา แล้วก็ฆ่าตายในห้องพักห้องนั้นสัมผัสสยอง